จากภาวะกิจการงาต่างๆจึงได้ตั้งใจมาวัดเพื่อมาทำบุญว่าบุญนี้เป็นปัจจัยสี่ของจิตใจเป็นอาหารของจิตใจเป็นเครื่องนุ่หงหงเป็นที่วาศสยเป็นยารักษาโรคของจิตใจใหญ่นี้ เป็นสิ่งที่สาคัญกว่าร่างกายเปรียบเทียบกันแล้วร่างกายนี้เป็นเหมือนรถยนต์ส่วนใจนี่เป็นเหมือนคนขับเป็นสองส่วนกันคนขับดูแลรถยนต์คือเติมน้ำเติมลมเติมน้ำมันคอยทำความสะอาด ร, รถยนต์ให้สะอาดและในขณะเดียวกันคนขับ ก็ต้องดูแลคนขับด้วยเช่นเวลาขับรถไปที่สถานีบริการรถก็ได้รับน้ำได้รับน้ำมันคนขับก็ได้เข้าไปห้องน้ำได้เข้าไปร้านอาหารไปซื้ออาหารไปซื้อน้ำมาดื่มชีวิตของเราก็เป็นเหมือนคนขับกับรถยนต์ร่างกายของเรานั้นเป็น เหมือนรถยนต์ส่วนตัวเรานี้คือใจผู้สั่งให้รถยนต์คือร่างกายนี้ทำอะไรต่างๆใจเป็นผู้สั่งการผ่านความคิดเช่นวันนี้ญาติโยมคิดว่าจะมาวัดมาทำบุญกันก็สั่งให้ร่างกายตื่นขึ้นมาอาบน้ำอาบท่าเตรียมข้าวเตรียมของแล้วก็ออกเดินทาง พอเดินทางมาถึงวัดก็ได้ทำสิ่งที่ใจต้องการจะทำคือทาบุญการทำบุญนี้ร่างกายไม่ได้อะไรแต่ใจเป็นผูด้ได้รับใจได้รับความสุขได้รับความเจริญใจเป็นใจที่สูงขึ้นสะอาดขึ้นมีความสุขมากขึ้นใจนี่แหละคือตัวเราที่แท้จริง ร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราร่างกายนี้เป็นเหมือนรถยนต์ที่สักวันหนึ่งคนขับก็จะต้องทิ้งไปคือมันจะขับไม่ได้ตอนต้นก็เสียก่อนเสียตรงนั้นเสียตรงนี้ก็ส่งเข้าอู่ให้ช่างเขาซ่อมให้ถ้ามีอะไรที่ต้องเปลี่ยนก็เปลี่ยนไปร่างกายของเราก็เป็นเหมือนรถยนต์ ต่อไปมันก็จะต้องแก่ชราลงไปแล้วมันก็จะเจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้ก็ต้องไปหาหมอให้หมอช่วยรักษาให้หมอทําอะไรได้ก็ทําไปแต่ในที่สุดแล้วก็จะไม่สามารถรักษาร่างกายต่อไปได้ร่างกายก็จะต้องตายไปแต่ใจผู้ที่เป็นเจ้าของนี้ ก็เป็นเหมือนเจ้าของรถยนต์ที่ไม่ได้ตายไปกับร่างกายพ อ, อร่างกายตายไปใจก็ไปหาร่างกายอันใหม่ต่อไปถ้ามีบุญมากก็จะได้ร่างกายที่ดีกว่าเดิมถ้าไม่มีบุญแล้วไปทาบาป ก, ก็จะไปได้ร่างกายที่ไม่ดีจะได้กับจะได้พบกับความทุกข์ต่างๆ กาจะต้องไปใช้หนี้นั่นเองคนที่มีหนี้กับคนที่ไม่มีหนี้นี่ต่างกันคนมีหนี้นี้ไม่ค่อยมีความสุขก็จะต้องคอยกังวลเกี่ยวกับการใช้หนี้แต่คนที่ไม่มีหนี้นี้สบายไม่ต้องวิตกไม่ต้องกังวลยิ่งมีเงินฝากในธนาคารมากเท่าไหร่ยิ่งมีความสุขมากเท่านั้น บุญก็คือเงินของใจส่วนบาปนี้ก็คือหนี้ของใจเพราะพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้ทำแต่บุญให้หาเงินมากๆแล้วฝากไว้ในธนาคารแล้วก็ให้ละเว้นจากการทำบาปอย่าไปก่อหนี้เพราะก่อแล้วต้องใช้ร่างกายตายไปแล้วแต่ใจนี่ยังต้องไปใช้หนี้ต่อ ที่ไปที่ใช้นี่ของใจก็คืออบายนั่นเองที่อยู่ของอผู้ที่ได้ทำบาป ท, ทำกรรมเช่นเดรัจฉานเปรตนรกเป็นที่อยู่เป็นที่ไปของผู้ทำบาปส่วนผู้ที่ทำบุญก็จะไปสืบพบของมนุษย์ใหม่หรือไปพบของเทพของพรม ของพระ อ, อริยเจ้าของพระอรหันต์ของพออระ พ, พุทธเจ้าทั้งหลายไปด้วยบุญแต่ถ้าอยากจะไปพบของพระ อ, อริยเจ้าและพบของพระพุทธเจ้าต้องทำอีกอย่างหนึ่งเพิ่มขึ้นมานอกจากการทาบุญละบาปแล้วยังต้องชาระใจให้สะอาดบริสุทธิ์เพราะใจที่ไม่สะอาดบริสุทธิ์นี้ จะยังต้องเวียนว่ายตายเกิดแต่พระอริยเจ้านี้ท่านทำใจให้สะอาดบริสุทธิ์ท่านก็ไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปท่านก็ได้ไปพระนิพพานไปสู่ดินแดนที่ไม่มีความแก่ไม่มีความเจ็บไม่มีความตายไม่มีความทุกข์มีแต่ความสุขไม่มีวันสิ้นสุด นี่คืองานของใจที่เราควรจะให้สำคัญยิ่งกว่างานทั้งหลายในโลกนี้ยกเว้นงานดูแลรักษาอัตภาพร่างกายของเราให้อยู่ไปได้เพราะว่าร่างกายเราก็เปรียบเหมือนรถยนต์ที่เรายังต้องอาศัยขับพาเราไปสู่จุดหมายปลายทาง แต่เมื่อเราถึงจุดหมายปลายทางแล้วเราก็ไม่ต้องดูแลรถยนต์ก็ได้ทิ้งมันไปก็ได้เพราะเราไม่ต้องไปไหนแล้วแต่ถ้าเรายังต้องเดินทางอยู่เราก็ยังต้องดูแลรถยนต์ฉันใดถ้าเรายังต้องเวีนว่ายตายเกิดอยู่เราก็ต้องใช้ร่างกายนี้มาพาเราไปสู่ นิพพานพาเราไปสู่ที่ไม่มีการเกิดการแก่การเจ็บการตายไปสู่ที่ไม่มีความทุกข์ไปสู่ที่มีแต่ความสุขทั้งหลายด้วยการดูแลร่างกายตามพอความต้องการของร่างกายอย่าไปเสียเวลาหรือทุ่มเทเงินทองกับการดูแลร่างกายมากจนเกินไป พระพุทธเจ้าทรงสอนให้รู้จักประมาณในการบริโภคปัจจัยสี่ปัจจัยสี่ก็คือสิ่งที่จำเป็นต่อร่างกายนั่นเองคืออาหาร mm hmm. เครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยยารักษาโรคท่านบอกว่าไม่ควรจะให้มีมากเกินไปหรือน้อยเกินไปให้พอดีกับความต้องการของร่างกาย ถ้ามากเกินไปก็จะเป็นโทษกับร่างกายได้เช่นอาหารรับประทานมากเกินไปก็จะเกิดน้ำหนักเพิ่มมากเกินไปทำให้มีโรคภัยไข้เจ็บเพิ่มขึ้นมาทำให้มีอายุสั้นลงไปเช่นเดียวกับที่อยู่อาศัยเครื่องนุ่งหง่มยารักษาโรคถ้ามีมากเกินไปก็ไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรมิ แต่ก็ต้องมีพอดีอย่ามีน้อยเกินไปมีน้อยเกินไปก็ไม่ดีเอาพอประมาณเช่นเสื้อผ้าเอาสักกี่ชุดดีร่างกายก็มีร่างกายอันเดียวธรรมดาถ้าประหยัดจริงๆก็สองชุดก็พอชุดหนึ่งไว้ใส่อีกชุดหนึ่งเอาไว้ซักเปลี่ยนกันหรือจะมีชุดหนึ่งเป็นชุดที่สามไว้สำรอง เผื่อว่าไหนซักแล้วไม่แห้งไม่ทันก็เอาชุดที่สมก็ได้เอาสามชุดนี้ก็พอแล้วสําหรับเครื่องนุ่งห่มสําหรับร่างกายอาหารก็รับประทานพออิ่มก็พ อ, อยารักษาโรค ก, ก็มีไว้พอดูแลเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยหรือไม่เช่นนั้นก็เก็บเงินไว้สําหรับค่าใช้ใจ่ายในการรักษา เวลาต้องไปโรงพยาบาลไปหาหมออย่าให้อย่ามีมากจนเกินไปเพราะจะเสียเวลาที่เราต้องมาทำหน้าที่ดูแลรักษาใจคือรักษาตัวเราเองร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราใจนี้เป็นตัวเราแต่เราไม่ค่อยดูแลใจของเราเท่าไหร่เหมือนคนขับรถที่ไม่ค่อยดูแลคนขับ คอยดูแลแต่รถยนต์ลืมกินข้าวลืมดื่ม น, าน้าลืมพักผ่อนคนขับก็เลยแย่แย่กว่ารถรถดีหมดทุกอย่างแต่ใจหรือคนขับนี่ไม่ดีเลยเพราะไม่ได้ดูแลคนขับใจของพวกเราก็เป็นเช่นนั้นร่างกายของเรานี่ได้รับการดูแลอย่างอย่างมากมายเกินความจำเป็น แต่ใจเรากลับไม่ได้รับการดูแลเท่าที่ควรสิ่งที่ควรจะดูแลมากๆก็คือใจใจนี้ดูแลมากเท่าไหร่ไม่มีการเสียหายมีแต่จะทำให้ได้ไปถึงพระนิพพานเร็วขึ้นเท่านั้นยิ่งดูแลใจมากเท่าไหร่ยิ่งทำบุญมากเท่าไหร่ก็จะยิ่งจะได้ไปถึงพระนิพพานเร็วเข้าไปเท่านั้น แต่ถ้าดูแลร่างกายดูแลดีขนาดไหนก็ตามก็ไม่ได้พาไปไหนร่างกายร่างกายก็จะพาเราไปที่เมนเท่านั้นเองนั่นคือจุดหมายปลายทางของร่างกายของพวกเราคือต้องไปที่เมนด้วยกันทุกคนก่อนจะไปเมนก็แวะไปที่โงรงพยาบาลก่อนหลังจากนั้นก็ไปที่เมนไม่ได้ไปที่ไหน เพราะฉะนั้นไม่ควรที่จะทุ่มเทเวลาชีวิตทรัพย์สินเงินทองให้กับการดูแลร่างกายมากจนเกินไปเพราะไม่สามารถที่จะไปรักษาไม่ให้ร่างกายไปโรงพยาบาลไปเมนได้แต่ถ้าเรารักษาใจมากเท่าไหร่เราจะสามารถป้องกันไม่ให้ใจของเราไปเวียนว่าตายเกิดได้ ไปแก่ไปเจ็บไปตายได้ถ้าเราทำบุญให้มากเต็มที่อย่างพระพุทธเจ้าของเราเป็นตัวอย่างพระพุทธเจ้าเมื่อก่อนที่ท่านจะออกบวชท่านก็มัวแต่ดูแลร่างกายของท่านมีปราสาทสามฤดูมีอาหารมีทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมเพียงไปหมดแต่พระพุทธเจ้าก็ทรงพิ จ, จารณาเห็นว่าดูแลอย่างไรมันก็ ถ้าไม่ให้ร่างกายแก่เจ็บตายไม่ได้ร่างกายมันยังไงยังไงก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายแล้วก็ใจถ้าไม่ได้รับการดูแลก็จะต้องเวียนว่าตายเกิดไปไม่รู้จักจบจักสิ้นพระพุทธเจ้าเลยทรงตัดสินพระทัยว่าต่อไปนี้จะไม่ดูแลร่างกายมากจนเกินไปพระองค์เลยเสด็จออกจากพระราชวัง สละราชาสมบัติของราชกุมารไปให้หมดเลยนี่เรียกว่าเป็นการทำบุญอันยิ่งใหญ่แล้วก็มารักษาสิ่งมาละบาแล้วก็มาดูแลรักษาใจด้วยการชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์ส่วนร่างกายก็ดูแลตามอัตภาพเช่นมีอะไรห่มไว้ป้องกันความหนาวก็พอแล้ว อย่างพระภิกษุพระพุทธเจ้าทรงอนุญาตให้มีใช้ผ้าเพียงสามผืนก็พอผ้านุ่มหนึ่งผืนผ้าห่มหนึ่งผืนแล้วก็ผ้าห่มกันหนาวอีกหนึ่งผืนนี่คือเครื่องนุ่งห่มของนั บ, บวดวนเพราะว่ามันจำเป็นเท่านั้นมีมากไปก่อนนั้นก็ไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรเพิ่มขึ้นแต่ต้องมีอย่างน้อยสามผืน ถึงจะดูแลรักษาร่างกายให้อยู่อย่างปกติได้อาหารท่านก็ให้ไปบินทบาทไปรับจากญาติโยมที่มีจิตศรัทธาตามมีตามเกิดได้รับอะไรมาก็รับประทานไปแล้วก็รับประทานมื้อเดียวก็พอไม่ต้องรับประทานมากเหมือนกับการเติมน้ำมันของรถยนต์เติมหนงเดียวก็พอ เติมให้เต็มถังไปเลยรับประทานอาหารก็เช่นเดียวกันรับประทานครั้งเดียวให้เต็มท้องไปเลยให้อิ่มไปเลยรับรองได้ว่าไม่ตายอย่างแน่นอนสามารถอยู่ได้ถึงวันพรุ่งนี้อย่างแน่นอนเพราะพระพุทธเจ้าได้ทรงบำเพ็ญมาแล้วภาษาวกทั้งหลายก็ได้บำเพ็ญมาแล้วท่านอยู่แบบนี้ท่านรับประทานอาหารวันละมือ้อ และก็ไม่เลือกอาหารประเทศใดสุดแท้แต่จะได้รับมาจากผู้ที่มีจิตศรัทธาส่วนที่อยู่อาศัยท่านการอาศัยอยู่ตามโคนไม้บ้างตามถ้ำบ้างตามเรือนร้างบ้างตามเงือมผาบ้างพอให้ได้หลบแดดหลบฝนพอมีที่สงบจเจริญปฏิบัติธรรมได้ก็พอแล้ว เพราะว่าท่านพุ่งเป้าไปที่การชำระใจของท่านให้สะอาดบริสุทธิ์การชำระนี้ต้องชำระด้วยการละความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายเพราะความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายนี้เป็นตัวที่ทำให้จิตใจเราเศร้าหมองขุ่นบัวเวลาที่เราไม่ได้เสกเวลาที่เราอยาก จะเสบ ร, รูปเสียงกินรสเราจะมีความเศร้าหมองเศร้าซ้อยง่อยเหงาเช่นเวลาเราอยู่บ้านคนเดียวนล้งไม่ได้ออกไปข้างนอกอยากจะไปเที่ยวกับเขาก็ไปไม่ได้อยากจะหารูปเสียงกินรส ด, ดู <c oughs> ก็ไม่มีอะไรให้ดู <c oughs> ให้ฟังเวลานั้นก็จะเกิดอาการเศร้าหมองขึ้นมาเกิดความว้าเวเกิดความเบื่อหน่าย เกิดความท้อแท้อันนี้เป็นผลที่เกิดจากความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสที่เรียกว่ากามตันหานั่นเองนี่คือสิ่งที่ต้องชำระคือกามตันหาความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสผุด พ, พะะแล้วก็ต้องชำระความอยากมีอยากเป็นคือไม่พอใจกับสิ่งที่เรามีอยู่เป็นอยู่ อยากจะมีมากกว่านี้เรียกว่าภาวะตัณหาเช่นตอนนี้มีอะไรก็ไม่พอใจอยากจะมีมากขึ้นอยากจะรวยมากขึ้นอยากจะมีบ้านใหญ่โตกว่าเดิมอยากจะมีเสื้อผ้าสวยๆงานมากกว่าเดิมอยากจะรับประธานอาหารราคาแพงๆสิ่งเหล่านี้เรียกว่าความอยากมีอยากเป็น ตามาตฐานะภาวะฐานะภวะัาหาความอยากมีอยากเป็นแล้วก็ต้องชำระวิภาวะัาหาคือความอยากไม่มีอยากไม่เป็นมีแล้วแต่ไม่อยากมีเช่นจนแล้วก็ไม่อยากจนอย่างนี้ไม่อยากจนหรือไม่อยากแก่ไม่อยากเจ็บไข้ได้ป่วยไม่อยากตายไม่อยากพัดพลาดจากคนนั้นคนนี้ จากสิ่งนั้นสิ่งนี้ความอยากเหล่านี้นี่แหละที่เป็นเหตุที่ทําให้เรามีความเศร้าหมองมีความไม่สบาย อ, อกไม่สบายใจกินไม่ได้นอนไม่หลับไม่มีความสุขซึ่งเราสามารถที่จะกาจัดได้เพราะเราเป็นคนสร้างความอยากขึ้นมาเองถ้าเรารู้ว่าความอยากเหล่านี้ เป็นต้นเหตุที่จะทำให้เรามีความทุกข์เราก็หยุดอยากเท่านั้นมันก็หายทุกข์แล้วเช่นเรารู้ว่าที่เราปวดท้องเพราะว่าเรารับประทานอาหารที่ไม่สะอาดอาหารบูดนี้เราก็อยากไปรับประทานอาหารที่ไม่สะอาดหรืออาหารบูดเราก็จะไม่ท้องเสีย มันง่ายดายมากไม่เห็นจะยากเย็นตรงไหนเลยถ้าเรามีความไม่สบายใจลองสังเกตดูถามตัวเราเองว่าตอนนี้เราไม่สบายใจเพราะอะไรเราก็จะคิดได้ว่าอ๋อไม่สบายใจกับสามีบ้างไม่สบายใจกับลูกบ้างเพราะอะไรเพราะอยากให้สามีเป็นตามใจเป็นตามความอยากของเรา อยากให้ลูกเป็นตามความอยากของเราพอเขาไม่เป็นเราก็ไม่สบายใจถ้าเราอยากจะสบายใจเราก็เปลี่ยนใจเสียท่านั้นเองก็อย่าไปอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ปล่อยให้เขาเป็นไปตามเรื่องของเขาเขาอยากจะดีอยากจะชั่วก็เรื่องของเขาเท่านั้นเองเราก็จะหายจากความไม่สบายใจเหมือนกับหายจากโรคปวดท้อง เราอย่าไปกินอาหารที่ไม่สะอาดจะไปกินอาหารบุ๋มันก็จะไม่ปวดท้องฉันใดถ้าเราไม่อยากจะไม่สบายใจกับคนนั้นคนนี้กับสิ่งนั้นสิ่งนี้ก็อย่าไปอยากเท่านั้นเองให้พอใจกับความเป็นจริงที่เป็นอยู่ในขณะนี้ขณะนี้เป็นอย่างไรก็พอใจตอนนี้เราเป็นอย่างไรเราก็พอใจ ตอนนี้เรามีเงินเท่าไหร่เราก็พอใจมีหนี้เท่าไหร่เราก็พอใจมีทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองมากน้อยเพียงไรก็ให้พอใจถ้าพอใจแล้วมันก็จะไม่อยากอยู่กับมันของพวกนี้มันไม่ใช่ของเราอยู่แล้วเราไม่มีมันเราก็อยู่ได้พอใจนี้ไม่ใช่ไม่เหมือนร่างกายร่างกายนี้ต้องมีสิ่งต่างๆไว้คอยดูแล แต่ใจนี้ขอให้มีบุญเท่านั้นเองมีธรรมะเท่านั้นเองมีธรรมะคอยสอนใจไม่ให้ไปอยากกับสิ่งต่างๆใจก็จะอยู่อย่างมีความสุขแม้แต่ร่างกายนี้ถ้าจะตายไปจากใจใจก็ไม่เดือดร้อนอะไรใจอยู่ได้เหมือนคนขับรถถึงแม้ถ้าไม่มีรถขับคนขับรถก็ยังเดินได้ ว่าคนขับรถไม่ต้องอาศัยรถยนต์ก็ได้เดินไปไหนมาไหนก็ได้หรือไม่ไปไหนเสียก็หมดเรื่องอยู่บ้านเฉยๆแสนจะสบายไปทำไมให้วุ่นวายให้เหนื่อยยากเปล่าเช้าก็ออกไปเย็นก็กลับมาแล้วได้อะไรบ้างได้แต่ความเหนื่อยได้แต่ความทุกข์แต่เพราะว่าอยู่บ้านไม่ติดอยู่บ้านไม่เป็นอยู่บ้านไม่ได้เวลาอยู่บ้านแล้ว เกิดความเศร้าหมองขึ้นมาเกิดความอึดอัดเกิดความเบื่อหน่ายขึ้นมาเพราะความอยากนี้เองมีความอยากออกจากบ้านอยากจะไปทําสิ่งนั้นสิ่งนี้อยากจะไปหาคนนั้นคนนี้อยากจะไปหาสิ่งนั้นสิ่งนี้มาเป็นเรื่องของความอยากฉะนั้นถ้าตัดความอยากได้หยุดความอยากได้ก็จะอยู่บ้านอย่างมีความสุขได้ ่าไม่ต้องไปวุ่นวายไปกับการเดินทางไม่ต้องไปวุ่นวายไปเสี่ยงภัยกับเหตุการณ์ต่างๆภายนอกบ้างปัญหาของพวกเราจึงอยู่ที่ความอยากต่างๆนี้เองพระพุทธเจ้าจึงต้องสอนให้เราชำระมันให้หมดไปจากใจด้วยวิธีง่ายๆคือให้ทำใจให้สงบให้นิ่งอย่าไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้หยุดความคิดให้ได้ ใช้การบริกรรมพุทโธพุทโธไปถ้าพุทโธไปอย่างต่อเนื่องต่อไปความคิดก็จะคิดไม่ได้เพราะพุทโธจะเอามาคิดหมดถ้าเราคิดคึกพุทโธอยู่เราก็จะไปคิดเรื่องคนนั้นเรื่องคนนี้ไม่ได้พอคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่ได้ก็อยากไม่ได้อยากให้คนนั้นคนนี้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ก็อยากไม่ได้เพราะเรามีแต่พุทโธพุทโธอยู่ในใจของเรา พอเรามีแต่พุโทโธอยู่ภายในใจของเราใจของเราก็เย็นสบายมีความสุขเพราะไม่มีความอยากใครเป็นอะไรก็เรื่องของเขาเราไม่มีอะไรเราก็อยู่ไปตามสภาพของเราได้ไม่เดือดร้อนถ้าใจเรามีความสุขแล้วเราไม่ต้องการอะไรทั้งนั้นดูใจของพระพทธเจ้าเป็นตัวอย่างเมื่อก่อนท่านก็มีสมบัติเข้าของเงินทองมากมาย มากกว่าพวกเราหลายร้อยเท่าเดยกันแต่หลังจากที่ท่านสละไปหมดแล้วท่านก็ยังอยู่ได้ท่านอยู่แบบนับบุญได้กินอาหารวัดละมืออาหารก็ไม่ได้เป็นอาหารวิเศษวิสโสอะไรแล้วแต่จะได้มาจากการบินทบาทเครื่องนุ่งห่มก็มีเพียงสามชิ้นมีผ้าไบหนึ่งชุดที่อยู่อาศัยก็อยู่ตามมีตามเกิด ถ้ามีคนสร้างวัดถวายให้อยู่ท่านก็อยู่วัดถ้าไม่มีท่านก็ไปอยู่ในป่าอยู่ตามคนไม้อยู่ตามท้ำตามเพื้อผาไม่เดือดร้อนอะไรเพราะใจไม่ไม่เดือดร้อนกับสิ่งต่างๆไม่ได้อยากมีอะไรอยากเป็นอะไรนี่แหละคือสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้พวกเรามาทากันถ้าเราสามารถทำตามได้ รับรองได้ว่าชีวิตของเราจะมีแต่ความสุขไม่ว่าเราจะรวยหรือจะจนไม่ว่าเราจะสูงหรือจะต่ำไม่ว่าเราจะมีตำแหน่งสูงขนาดไหนหรือต่ำต้อยขนาดไหนก็ไม่เป็นปัญหาแต่อย่างใดเพราะใจของเรานี้มีความสุขตลอดเวลาเพราะไม่มีความหิวไม่มีความอยากกับสิ่งต่างๆทั้งหลาย นี่แหละคือความสุขที่แท้จริงเป็นการเป็นการดูแลตัวเราที่แท้จริงเราต้องดูแลใจของเราด้วยการทำบุญละบาปแล้วก็ชำระใจของเราให้สะอาดบริสุทธิ์ตามอย่างที่พระพุทธเจ้าได้ทรงบำเพ็ญม า, ถ, า, าถ้าเราปฏิบัติตามได้แล้วเราจะพบกับความสุขที่ ดีที่เลิกที่สุดและเป็นความสุขที่ถาวรเราไม่ต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายมาร้องโหมร้องไห้ามาทุกข์กับเรื่องนั้นเรื่องนี้ทุกข์กับคนนี้คนนั้นคนนี้อีกต่อไปเราจะมีแต่ความสุขตลอดเวลาอย่างที่พระพุทธเจ้ากำลังมีอยู่ในขณะนี้เพียงแต่พวกเราไม่สามารถที่จะ ติดต่อกับพระพุทธเจ้าได้เพราะพระพุทธเจ้าไม่เปิดโทรศัพท์มือถือรับเครื่องรับสัญญาณนั่นเองท่านไม่มีร่างกายมารับสัญญาณจากพวกเราตอนนี้พวกเรายังมีโทรศัพท์มือถืออยู่ก็มีร่างกายอยู่เราจึงติดต่อกันได้มีร่างกายไว้พูดกันไว้คุยกันไว้มองหน้ามองตากัน แต่พอไม่มีร่างกายแล้วก็จะไม่สามารถติดต่อกันได้แต่การมีร่างกายนี้มันก็มีทั้งคุณนละมีทั้งโทษมีทั้งสุขและมีทั้งทุกขเ์เวลามีร่างกายมันก็สามารถหาความสุขจากสิ่งต่างๆได้แต่ในขณะเดียวกันมันก็เป็นความทุกข์เพราะมันจะต้องแก่จะต้องเจ็บจะต้องตายและความสุขที่ได้จาก ร่างกายเป็นเครื่องมือก็เป็นความสุขชั่วคราวพอได้มาแล้วก็จะหายไปการมีร่างกายจึงไม่ดีเพราะว่าความสุขที่ได้ก็ไม่จะเป็นความสุขที่แท้จริงความทุกข์ที่ได้ก็เป็นสิ่งที่ทรมานใจอย่างยิ่งคุณไม่ควรจะมีร่างกายจะดีกว่าการไม่มีร่างกายนี้ไม่ได้หมายความว่า เราหายไปหรือตายไปเราเพียงไม่มีร่างกายมาติดต่อกับคนอื่นเท่านั้นเองเหมือนกับคนที่มไม่มีรถยนต์เขาก็ไม่สามารถไปติดต่อกับคนอื่นได้เพราะเขาไม่มีรถพาเขาไปเขาก็ต้องอยู่บ้านเท่านั้นเองแต่ตัวเขาไม่ได้ตายหายไปจากไหนผู้ที่ทำบุญลาบาปและชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์แล้วนะ ไม่กลับมาเกิดใหม่แล้วนั้นไม่ได้หายสาบสูงไปไหนท่านก็ยังอยู่ของท่านอยู่ในพระนิพพานอยู่ในแดนที่มีแต่ความสุขตลอดเวลาท่านไม่ท่านไม่ได้หายไปไหนท่านมีแต่ความสุขต่างกับพวกเราที่มีความทุกข์กันตลอดเวลานานๆจะมีความสุขสักครั้งหนึ่งแต่ส่วนใหญ่แล้วเราจะทุกข์ตลอดเวลา ทุกข์กับเรื่มนั้นทุกข์กับเรื่มนี้ทุกข์กับคนนั้นทุกข์กับคนนี้ดังนั้นขอให้เราจงพยายามมาแก้ความทุกข์ของเราด้วยการปฏิบัติตามพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าเพราะเป็นการแก้ความทุกข์ที่ถูกต้องเป็นความทุกข์ที่ไม่สร้างความทุกข์ใหม่ให้เกิดขึ้นถ้าเราทาอย่างที่เรากำลังทำอยู่เราแก้ความทุกข์ด้วยการเพิ่มความทุกข์ขึ้นมา เช่นเราอยู่คนเดียวเรารู้สึกมีความว้าเวเราก็ไปมีคู่ครองไปมีสามีภรรยาแล้วเราก็ต้องมาทุกข์กับคู่ครองของเราเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งคนทุก์กับตัวเราแล้วยังไม่พอทีนี้ก็ต้องมาทุกข์กับสามีทุกขกับภรรยาถึงแม้ว่าจะได้ความสุขบ้างหายจากความว้าเหวบ้างแต่ก็ต้องมาเจอความทุกข์กับสามีกับภรรยาอีก และเวลาเขาตายจากเราไปก็ต้องทุกข์อีกดังนั้นอย่าไปแก้ด้วยวิธีนี้ขอให้เรามาแก้ด้วยวิธีที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแก้คือให้ทำบุญลกบาปแล้วก็มาชำระใจให้สะอาดบริสุทธแล้วเราจะพบกับความสุขที่ถาวรที่ไม่มีความทุกข์มาเป็นของแถง้จึงของฝากเรื่องของ การมาทำบุญมาดูแลตัวเราคือใจของเรานี้ให้ท่านได้นำเอาไปพินิจพิจรารณาและปฏิบัติเพื่อความสุขและความหลุดพ้นที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขอคุณทศีททรัตนตรัย